ทงตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชรลาต้นไปอยู่ทุกข์ไม่ยั่งยืนอันนี้แหละเป็นพุทธภาสิทธ์ที่ทรงตรัสได้เตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้สำนึกถึงตนของตนว่า ในร่างกายสังขาร น, นี่มันชำนุดชุดโทมไปเรื่อยๆไปมันไม่มีทางหยุดยัง้งความชุดโทมของร่างกายนี่นะมันเป็นเครื่องกระทบ ก, กระเทือนกับจิตใจทำให้ใจเป็นทุกข์เดือดร้อน ถ้าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกข์ก็ไม่มีเหต่มันจะมีทุกข์มันก็เพราะมันมีธรรมชาติเหล่านี้แหละปรากฏอยู่ในร่างกายนี้บีบคั้นร่างกายนี้ให้สุดโทมไปอันนี้นะว่ามันธรรมชาติของมันนะมันเป็นมาอยู่นี้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรโลกสนิวตัตอันนี้เนะี่ยจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดประกอบไปด้วยปัญญามันมองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่เลยมันจึงหาหนทางออกจากทุกข์นี้จิตใดที่ไม่ฉลาดไม่มีความคิดความอ่าน แม่ได้สวยทุกข์ทรมานอยู่ไงมันก็เสวยอยู่นั่นอืดิ้นรนกระทับกระสายไปปันใดก็ดิ้นรนไปตามนักษณะอาการแห่งความทุกข์นั้นเพราะมันไม่รู้ทางออกไม่เจอทางสันเขาให้ไม่ทราบจะออกจากทุกตัวทางไหนอืมไม่ได้สนใจฟังคําสั่งสอนของพระเจ้า บางคนก็ถือเอาว่าฟังได้ก็แค่นั้นตนก็นปฏิบัติตามไม่ได้หรอกไม่ส่ไปฟังทำไมอ่ะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้แล้วก็เลยไม่สนใจในการฟังซ้ำซ้อเลยอันนี้มีส่วนมากเลยทีเดียวเมื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระตเจ้าก็ไม่รู้จักหนทางออกจากทุกขแล้ววันี้ เมื่อทุกมาถึงเข้าก็มีแต่รอ้ อ, อรงไห้วนคลั้งเศร้าโศกเสียใจไปอยู่อย่างนั้นเนี mm ่ย hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอุบายธรรมะนไว้หลายอย่างเพื่อมาสอนจิตใจของคนเราเนี่ยให้มันรู้จักเบื่อรู้จักน่าย อย่างเช่นทรงแสดงว่าขันธมารอย่างนี้นะขันหานี้ก็เป็นมารอันืองอันนีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าขันหานี้มันจะคอยจะจะทํำความทุกข์ให้แก่จิตใจเท่านั้นก็หาไม่ได้ก็เพราะคนเราได้อาศัยขันหานี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับ อาศัยขันห้านี่แหละทำความเพียรทางกิตใจเพื่อละอุปทานความยึดตั้นถือมั่นจึงว่าขันห้านี้มีทั้งคุณมีทั้งโทษแต่เมื่อกล่าวถึงธรรมะส่วนละเอียดลงไปแล้วก็ถือว่าขันหานี้เป็นมาน คอยรบกวนจิตใจอยู่เสมอไปทำให้ใจนี้ไม่มีความสงบสุขอยู่ตลอดไปได้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็เจ็บตวดปวดนี่เดี๋ยวหิวข้าวกระหายน้ำอะไรต่ออะไรมันถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้แหละมันถ้าพูดถึงธรรมะชั้นละเอียดเข้าไปแล้ว ก็องคสอนให้ถือว่าเป็นมารคอยขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ในวัตาสงสารนี่ฉะนั้นพวกมีปัญญาก็จึงใช้กันหานี้ทำความดีไปถึงแม้มันจะเป็นมารมันจะเป็นทุกข์มันจะไม่เที่ยงอย่างไรก็ตาม แต่บุญกุศลที่ทํามาแต่ก่อนมันก็ยังบํารุงขันห้านี้ไว้ไม่ให้แตกดับไปก่อนผู้ฉลาดก็รีบเร่งใช้ขันห่านี้ทําความดีเข้าไปไม่ปล่อยให้ขันห่านี้ทุดโทรมไปเสียเปล่าอืคนไม่ฉลาดก็เมื่อได้ขันห้ามานี่แล้วกมมาชื่นชมว่า ข, ขันห่านี้มาเพลิดเพลินมัวเมาอยู่ต่ในกามคุณ คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนเลยแม้แต่ทาบุญกุศลในขั้นต้นเช่นทำบุญในทานวัตถุสิ่งของก็ไม่ไ ม, ไม่ค่อยมีบางคนนะมีเงินมีทองมาแล้วก็อาศัยเงินทองนั่นแหละอำนวยความสุขความสะดวกให้ ก็ไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอนนั้นเลยลืมนึกถึงอนาคตแห่งชีวิตของตนเองเนี่ยเมื่อตนได้รับความสุขในปัจจุบันนี้แล้วก็พอแล้วไม่ต้องคิดถึงเบื้องหน้าอะไรมันเกิดความเห็นผิดขึ้นในใจเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วมันไม่รู้อะไรหรอกมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แล้วแต่เรื่องมันทอืมตายไปแล้วมันไม่รู้จักอะไรหรอก นั่นเดียว่าความเห็นผิดนะมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แหละทําไมยังว่าเป็นพอเป็นผิดก็เพระพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแจ้งแล้วนี่บุคคลพวยังมีกิเลสอยู่เนี่ยทําอะไรลงไปมันก็เป็นกรร ม, มนั่นนะทําดีก็เป็นกรรมดีไปทําชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละวันนี้นําจิตวิญญาณไปเกิดในที่ สุขบางที่ทุกข์บางตามกรรมที่ทํานี่อันเผื่อบคุคคลทํากรรมชั่วใจดวงว่ากาไปกรรมชั่วมันก็ น, นำไปสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิที่นั้นแหละมันถึงจะไปรู้ตัวได้แบบนี้นะโอ้นี่กรรมชั่วที่เราทนะําเนี่ยมันตํา ม, มาตกนรกหมกไปอยู่นี่หน อ, อเผื่อว่ารู้ตัวที่ไหนมันสายแล้วมันแก้ไม่จบ จะทำยังไงอุทธร์ยังไงกับยมพาบาลก็ไม่มีทางยมพาบานก็บอกว่าอา้ากรรมของเธอทำเองเธอก็ต้องสเสวยผลแห่งกรรมอันนั้นแหละไม่ใช่ขไม่ใช่ใครทำให้นะความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะมันเกิดจากกรรมชั่วที่ตัวทำเองอนี่มันยมพาบาลก็ไม่ได้แต่งให้คนเป็นทุกข์มากขาไม่แบงนั้นเลย กรรมที่บุคคลท้าทำนั้นนมันตกแต่งให้เป็นทุกข์เองมันนี่ผู้ที่ทำกรรมดีไปกรรมดีมันก่อนนำให้ไปเกิดสวยเความสุขจากบุญจกากวาตนาะที่ตนได้ทำในโลกนี้ในในผู้ที่่าปก็ไม่ได้ทำเธอทำเพียงเล็กน้อย บุญก็ทําไม่มากทํานิดนิดหน่อยๆจิตวิญญาณอย่างเนี้ยเมื่อละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วนะที่เกิดไม่ได้อืมเพราะว่าจะไม่เกิดกับคนก็เกิดไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปนรกก็ไปไม่ได้เพราะบาปไม่ร้ายก็เลยเป็นจิตสัมภเวสีเล่ร่อนท่องเที่ยวอยู่ ในโลกสงสารอันนี้หาที่เกิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าวิญญาณสัมเวสีเนี่ยมันก็เลื่อนล อ, อยไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่เรียกว่าเทียบได้กับคนเราที่เกิดมาในโลกนี่ ไม่สนใจในการบุญการกุศลแต่บาปก็ไม่ได้ทํามากอะไร น, นิดๆน่อยๆไปอย่างนี้นะเอแล้วก็ตายไปนั่นเองบุญกุศลไม่มากมันก็ไปสวรรค์มาเกิดกัมมนุษย์ก็ไม่ได้จะไปเกิดครับสัตว์ที่รชานก็ไม่ได้เลยเลื่อนลอยอยู่พวกนั้นออืดังนั้นเนี่ยขอยพากันรู้ไว้อย่าไปเข้าใจผิด ความเห็นที่ว่าตายไปแล้วไม่รู้อะไรหรอกไม่สั่นเป็นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ควรปฏิเสธอย่างนั้นปฏิเสธไปได้มันก็ไม่ไ ม, ไม่ก็แสดงถึงความไม่รู้ไม่ฉลาดของผู้นั้นเองไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มีความเห็นอย่างนั้นนะยากที่มันจะทำดีใส่ตัวได้นะ กิเลสตัณหามันก็จูงไปทําชั่วแล้วนะจูงไปหาความสนุกสนานความเพลิดเพลินในโลกสงสารอันนี้นะเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในมนรรสพบงานเพลินในการกินในการนอนอคนไม่สนใจปฏิบททัติธรรมกินซะเต็มที่นอนซะเต็มที่เลย อย่างนั้นเราถือว่าสุขสบายดีเหมนว่านี่แล้วผู้บวชเข้ามาแล้วอามันอยู่ไม่ได้มันสึกไปกับเพราะเหตุนี้เลยท่านบวชเข้ามามาทำตามข้อวัดปฏิบัตินี่เข้าไปสู้ไม่ไหวอดตารลับขับตานอนอาหารกอรับประทานไม่เต็มอิม่ม ไม่ได้รับประทานเหมือนอย่างเป็นคฤหัสถ์แล้วก็อยากเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้เที่ยวตามชอบใจนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าติดความสุขพอประมาณความสุขชั่วคราวอืติดหลายอย่างจริงคนในโลกอันนี้นะติดความสุขชั่วคราวเนี่ยอันเป็นเหตุให้ทําบุญกุศลทําความดีไม่ได้ ฝึกฝนอบรมตนตามข้อว่าปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะมันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้เองอนะบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ก็ห่มใจทําข้อว่าปฏิบัติตามระเบียบที่ท่านวางไว้ตนไม่ได้เต็มใจว่าจะทําเท่าไหร่นักอย่างนี้ก็มีนะอือมีางนี้บางคนก็เต็มใจทํา มองเห็นผลเห็นประโยชน์แห่งข้อว่าปฏิบัติเหล่านี้จริงๆริพอเมื่อทำลงไปแล้วมันทำให้กิเลสเบาบางไปกิเลสไม่ได้หนาขึ้นกว่าเกา่าหรือหรือไม่ได้มีอยู่เท่าเกา่าเมื่อทำความเพียรมากๆเข้าไปมันก็เป็นตปะธรรมมันก็เผากิเลสอยู่ในหัวใจนี่ให้เบาบางออกไป ถ้าผู้ที่ไม่เกียดค้านไม่ประมาทนะมันจึงเห็นผลแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วมันก็สบายใจเมื่อไม่ได้ทำข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่สบายใจบางบางค น, นเป็นอย่างนั้นก็จึงขยันหมั่นเพียรไม่ทอ้อไม่ถอยอาภุดช น, นีการบราพรารัพติศมาจันมันก็ไปได้มันก็ติดต่อกันไปได้ ไม่ถอยหลังเข้าครองถ้าผูใ้ใดเกียกรข้านทํข้อวัตปฏิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็มันจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปไม่ได้เลยอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านนี่มันก็ยังพอประทังเพราะว่ามีการทำบุญให้ทานทำการทำงานได้เข้าของเงินทองมาแล้วก็ทำบุญให้ทานไป อย่างนีออ้อุปธรรมบำลงว่าปราสานาไปแต่มาเป็นนักบวดนี้สินนไม่ได้ทำนาทาสวนไม่ได้หาเงินหาทองอะไรไม่มีเข้าของอะไรมาจะทำบุญให้ทานตอบสนองบุญคุณญาติโยมผู้มีอุปการะได้นี่แต่สำรวมในศีล ให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วเจริญปัญญาทำลายกิเลสอันหยาบท่าลามออกต่างๆให้เบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมอย่างสูงคือเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลดังที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นแหละ บุญกุศลมันจะไม่เสื่อมไม่หายไปก็เพราะคนนั้นมีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยดีทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าใจนี้เป็นทุกที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญและบาปที่เมื่อไม่ชอบกับบาป ก, ก็ละมันไปอธิษฐานใจละเวน้นไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูด ให้ผิดไปจากพุทธบัญญัตินั้นเนี่ยวันนี้บาปมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นมีแต่บุญกุศลเกิดขึ้นเพราะชอบบุญมน เ, นเมื่อรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ได้บุญกุศลก็ตั้งมั่นอยู่ในใจั น, นไม่เสื่อมหายไปไหน แล้วเมื่อได้บุญกุศลมันเป็นกําลังอย่างว่านี้แล้วมันก็ใช้ปัญญาเนี่ยพิจิตรพิจารณาจิตใจนี่มันคล้องอยู่อย่างไรมันถึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนยากลําบากแล้วทําไมยังชอบมาเกิด ปัญญาสอดส่องมองไปมามันก็รู้อ น, นั่นแหละอันนี้ที่พระพุทธบริษัททั้งหลายจะเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เพราะฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเนี่ยเป็นกําลังก็ให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี้พอเรานึกคิดอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะบุญกุศลนัมันก็ สองเป็นกล้องสองทางเดินอของจิตอ่ะให้จิตมองเห็นเรื่องนั้นกระจ่างแจ้งต้องอาศัยบุญนะอย่าไปเข้าจอมันเกิดเองปัญญาก็ดีสายี่เราสะสมบุญกุศลมาตั้งแต่การให้ทานเราเนี่ยมาการรักษาสินให้บริสุทธิ์ลน ว, วันนี้ก็มาเจริญสมาธิ นึกน้อมถึงบุญถึงคุณคุณของทานคุณของสินมารวมไว้ในจิตใจนี้แห่งเดียว น, นี่แหละเมื่อได้บุญได้คุณเหล่านี้เป็นกำลังใจกับพร้อมด้วยคุณพระรัตนกรัเมื่อได้บุญได้คุณเหล่านี้เป็นกำลังใจแล้วมันก็ใจกล้าหาืมใจตั้งมั่นแล้วก็นึกคิด ต้องการจะรู้เรื่องอะไรต่อได้มันก็รู้ไปได้เห็นไปได้เดี๋ย ว, วรู้ทำเป็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักไว้ให้เราคิดให้เราพิจารณาว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้นะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างตนก็มาใช้ปัญญาพิจารณ์ซิเป็นทุกข์อย่างไรบ้างเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรบ้าง นี่ถ้าผู้มีใจตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็เห็นแลอืยเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไม่จําเป็นต้องให้ผู้อื่นมาภาณนาให้ฟังต้นเองก็พอรู้ได้เลยอืเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะอนนเป็นทุกข์อยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะคลอดออกมาแล้วก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ประกอบประงมเอาอยู่อย่างนั้น แม่ย่อมไม่ได้หลับได้นอนนะดูแลลูกตอนนั้นก็จะนึกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เรียงสาอะไรพอเจริญไว้ใหญ่โตมาพอ ร, รู้เรียงสาเท่านี้แหละมันก็แสดงออกแล้วซึ่งตันหากุ ป, ปาทานอยากได้อันนั้นอยากได้อ น, นี้อยู่อย่างนั้นนะ เมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรเข้ามามก็ดิ้นโลนแสวงหามนะันนไงการแสวงหาเนหละมันเป็นทุกข์ตัวนี้นะไอคนทั้งหลายมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการทําการทํางานอ้าวเงือต่างหน้ามูนี่นะมันถึงไม่เบื่อไม่หน่ายเนี่ยนะต่อโลกสงสารอล้นี้นนบวชเข้ามาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ ในการในงานอทุกในการสังคมกับคนที่เป็นศัตรูกันโมนี่ทุกในการทําอะไรมันมีแต่ผิดหวังไ ม, ไม่ร่ําไม่รวยอือันมนี้ถ้าเก็บออกมาคิดแล้วมันเห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยอืเมื่อมันเห็นเป็นทุกข์อย่างนมันก็เบื่อได้ ไม่ปราถนาที่จะไปแสวงหามันอไม่ปราถนาที่จะไปหามันเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่ขาดปัญญาขาดสมาธิแล้วแต่มันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดให้อออะไรเลยอาศัยแต่ตัณหาอุปทานนั่นแนหะอุปทานยึดถือเอาว่าไอ้เราสะบวดมาชัว่วพรษานึ่งแล้วเราก็จะซึก ศึกแล้วเราจะไปทำงานอย่างโน้นอย่างนี้ไปหาเงินไปเป็นขี้ค้าแทกตะวันออกกลางให้เขาดูถูกดูมินเขาจะว่าไงก็อดเอาพออยากได้เงินกับเขานัน่ยอมตนลงไปอย่างนั้นแล้ว อ, ออย่างนี้แหละคนเรานะเมื่อปัญญาไม่มีความเพียรไม่มี มันก็มีแต่จมไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์มันเป็นย่างนั้นนิรชาคงเกิดเป็นทุกข์นะเกิดมาแล้วมันต้องมาอาศัยปัจจัยสี่นี่อาศัยอาหารอาศัยผ้าหนุงผ้าหฮมอาศัยที่อยู่อาศัยยุกยาต่างๆถ้าขาดปัดจจัยสี่อย่างนี้แล้วมันก็ชีวิตก็ดำลงอยู่ไม่ได้ ดังนั้น่จึงต้งสแสวงหากันไอ้ผู้มีบุญน้อยนะสแสวงหาอย่างไรมันก็ไม่รวยไม่ได้อืแต่มันไม่ค่อยเชื่อบุญหรอกคนส่วนมากนะมันหาไปว่ามีคนอื่นเอาเปรียบตนอย่างโน้นอย่างนี้อืไปอย่างนั้นแหละเหตุที่ตนจะไม่ร่ำไม่รวยแท้ที่จริงแล้ว บุญของตัวมันน้อยฮะทำยังไงยังไงมันก็ไม่ร่ำรวยให้ได้มันเป็นงั้นพวกเขามีบุญมากแล้วทำอะไรไปมันถูกช่องมันไปเลย <c oughs> มันได้จังหวะมันพอดีพอดีได้รวยเงินรวยทองขึ้นมามีเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้มันไม่ได้คิดกันหลอกคนส่วนมากนะ เพราะฉะนั้นแนหะมันถึงไม่คิดทำความดีถ้ามันคิดว่าอ๋อบุญของเรามันน้อยเนาะเอาเล่อในชาตินี้เราจะพยายามสั่งสมบุญแม้จะไม่ร่าไม่รวยก็ช่างเราจะไม่ทำกรรมอันชั่วเราจะทำแต่กรรมอันดีเพื่อว่าเบื้องหน้าอนาคตเกิดไปชาติหน้าขอให้มันเจริญรุ่งเรืองอย่าให้มันทุกข์จนหนนโลกเหมือนอย่างในชาตินี้ เหมือนอย่างติงนนบาลทุกตะที่ท่านแสดงไว้นั่นนะอมแม้ว่าจนเขาจนอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำความชั่วไม่เป็นขมโมยเป็นโจรก็ไปขอรับจ้างเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่ได้ให้เงินได้ท้องอะไรให้เข้าวันละม้อเท่านั้นเองเขาก็เอาอในเข้าวันละม้อเท่านั้นแล้วไม่ทราบกลับไปหาเอาที่ไหนก็ไม่รู้นะนเอ แต่ได้ให้เข้านอนามัอเพราะนั้นเขาก็ยังใจบุญนะพระบิณฑบาตผ่านไปก็ใส่บาตรให้พระครึ่งหนึ่งตนเองก็รับประทานเสียครึ่งหนึ่งอิ่มก็ตามให้อิ่มก็ช่าง mm hmm. อย่างนี้ในเมื่อเศรษฐ ธ, ธรรมบุญกุศลก็กระถินออกพรรษาแล้ว นายทุกขศักคนกนั้นก็มีผ้าผืนเดียวเท่า น, นั้นเป็นสมบัติเ็เย็บใบไม้นุ่งเอาผ้าไปซักตากให้แห้งไปเที่ยวขายได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อได้กับเข็มเอาไปโมทนากระถิ่นกับเศรษฐีบุญกุศลที่เขาทำมันบุคคลส่วนมากทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีอานิสงแรงเทวดาก็กล่าวท่องสาธุ ก, การอนโมทนา อยู่บนท้องฟ้านนดังสนามวันไหวพอเศรษฐีรู้เข้าข้อยินดีปีตกขอมซื้อเอาส่วนบุญของชายทุ ก, กตะคนนั้นทีแรกก็ให้ห้าร้อยไม่ไม่ขายพันหนึ่งก็ไม่หายมือนนึงก็ไม่ขายให้แสนหนึ่งก็ไม่ขายเอา้าถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรข้าพเจ้ายิงเยนได้รับส่วนบุญกุศลกับท่าน ทายทุกขะตะจึงกล่าวว่าถ้าเช น, นั้นท่านยกมืออนโมทนาสาธุการกับข้าพเจ้าเสียแล้วท่านก็จะได้รับส่วนบุญกับข้าพเจ้าเศรษฐีจึงได้กล่าวทาอนโมทนาสาธุออด้วยกองบุญของชายทุกขะตะทำครั้งนั้น่ะออชายทุกขะตะนั้นก็แบ่งส่วนบุญนั้น ให้แก่เศรษฐีนั้นข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่ท่านขอทรงได้รับส่วนบุญกับข้าพเจ้าเศรษฐีก็ดีอกดีใจได้รับส่วนบุญนั้นน่ะดีใจหลายจึงได้แบ่งสมบัติให้ชายทุกตขตะคนนั้นส่วนหนึ่งตนเองก็เอาส่วนหนึ่งคนสมัยนั้นน่ะเพื่อนส่งเสริมคนดีนะอืไม่ไม่ถือเทชออาอชาติชั้นวรรณะ ไม่ถือว่าวันน่าต่ำวันน่ขอทานอะไรเห็นเขาทำดีอย่างนั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความสุขเต็มที่อะไรแบนี้แล้เลยกลายได้เป็นเศรษฐีไปอันนี้แหละคนเรานี่นะมันตกเป็นธาตุแห่งตันหาแล้วมันไม่ทำความดีเท่าที่ควรจะทำได้มันก็ไม่ทำอวิชชาตันหามันครอบงาจิตใจ ใจเลื่อนลอยไปนึกถึงบุญถึงบาปอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนี้คนส่วนมากจึงหันหลังให้ศาสนาเนี่ยนนะผู้ที่มารู้ตนของตนได้อย่างตินาบานาาทุกตะังที่กล่าวมานี่เขานึกถึงตัวเองได้ว่าเออจะก่อนนี้เราคงไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรมา เกิดมาในชาตินี้เราจึงยากจนข้นแค้นอย่างนี้เขาคิดได้อย่างนี้เขาจึงใส่บาตรให้พระเข้าเอาเข้าครึ่งหนึ่งนั่นใส่บาตรให้พระเนี่เอาหนังไม่ซ้า ม, มันยังมีผ้านุ่งผืนเดียวนึงเย็บไปไ ม, ไม่นุ่งแล้วเอาไปขายเอาเงินซื้อได้กับเข็มไปโมทนากระสินกับท่านเศษฐีเขาเสียสละลงถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นบุญมันถึงได้แรงแต่คนส่วนมากมันทําไม่ได้เรื่องมันนะอย่าว่าแต่จะมีผ้า พ, พื้นเดียวนั่นเลยต่อให้มีสักสิบชุดอย่างนี้มันก็ให้ทานไม่ได้ออย่างนี้แหละบางคนนะแต่บางคนก็ให้ทานไดม้มีสมบัติเหลือล้อนก็ไม่มีปัญญาที่จะบริจาคทานเพราะความตนี่ห่วงเห็นมันครอบงาจิตใจไว้ ถ้าให้ทานไปแล้วมันจะหมดมันจะสิ้นเปลืองออเขาจะไม่ยกย่องว่าตนเป็นเศรษฐีเนี่ยมันไปถือภายนอกนู่นบาหนีเพราะฉะนั้นนะ่ะคนร่ำรวยมั่งมีแล้วมีความเห็นผิดอย่างเช่นว่านี้นะเขาก็รวยแต่ในปัจจุบันอาชาตินี้เท่านั้นเองไงเมื่อละนู่นี้ไปแล้ว ไปเกิดในชาติต่อๆไปเขาก็จะกลายเป็นคนจน